ขอความเจริญในธรรมจนมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประพฤตธญาณในวันนี้ก็จะพูดถึงทานที่ไม่นับพอเป็นทานเรื่อการให้บางอย่างนั้นเราจะเห็นว่าเรเป็นการเบียดเบียนตนเองหรือว่าเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแม้จะมีการให้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นทาน เพราะว่าไม่ได้เกิดด้วยกุศลในเจตนาถนงแม้คนสังคมอาจจะถือว่าเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันก็คงฟังได้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่บุญเพราะสังคมไม่ค่อยมีเกณฑ์อะไรเท่าไหร่แต่ธรรมะไม่ค่อยจะมีเกณฑ์เขา อ, อย่างนั้นว่าการกระทําความดีนั้นกิเลสต้องลดลงธรรมะต้องเพิ่มขึ้น ความทุกข์ต้องลดลงความสุขต้องเพิ่มขึ้นมากน้อยเป็นรายละเอียดแต่ถ้าไม่ออกมาลักษณะอย่างนั้นก็ถือว่าไม่ใช่เป็นการทำบุญพระบุญนั้นเป็นเครื่องชำระล้างกิเลสแล้วก็มีผลเป็นความสุขเพราะการให้เป็นอันมากในเช่นว่า การให้หญิงเพื่อเป็นพัญญาของชายหรือว่าการให้แม่โคแก่พ่อโคเพือ่อะสมพันธุ์เราจะเห็นว่าถ้าในแง่สังคมเนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะรแต่ว่าในแง่ของกุศลไม่ถือว่าเป็นทานาเพราะว่ามันไปกระตุ้นกิเลสโครปะสมพันธุ์ก็กระตุ้นกิเลสนะฮะเอาผู้หญิงให้แก่ผู้ชายเพ่อเป็นพัญญาก็เป็นการกระตุ้นกิเลส คือการปฏิบัติในระดับที่ค่อนข้างจะประณีตคราวนี้ท่านสายชนหลายลองสังเกตนะว่าสีลจากข้อที่หกไปสีนแปดนะแล้วข้อที่หกไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบาากลุลคือหมายความว่าการกินอาหารเย็นก็ดีการดูฟ้อนรับมาการประดับประดาร่างกายตกแต่งหรือว่าการ ลเล่นเรียว่าดูการลเล่นตลอดถึงการนอนบนที่นอนสูงใหญ่เนี่ยที่จริงมันไม่ใช่เป็นบาปสากลแต่ว่าในแง่ของคนซึ่งรักษาศีลพรหมจรรย์คือศีลข้อที่สามมันเป็นอะพ ร, รมัมเมื่อก่อนตอนศีลห้ามันศีลข้อที่สามมันเป็นกาเมย์เพราะงั้นถ้าไปอาศัยแรยงกระตุ้นจากการรับประทานอาหารเย็น ในการควนราขับร้องประคมดุนสีดุนสีดิสีที่เป่าต่างๆในการประดับประด า, าร่างกายด้วย ร, ระเบียบดอกไม้ของหอมขึ้นยอ่อมขึ้นทาและตอนนอนวันที่นอนสูงนนใหญ่มันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการบราคะฟันโอกาสที่จะผิดศีลข้อที่สามมันก็ใกล้เข้าไปอย่างน้อยใจจะถูกเผาล้นด้วยแรงของการบราคะ ได้เคยมีนักแสดงคนหนึ่งมากราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาเนี่ยเขามีการแสดงก็ให้ความบันเทิงแก่ประชาชนคือครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนเอาไว้ว่าเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เป็นเทพประเภทที่ให้ความบันเทิงใจแก่คนทั้งหลายตลอดถึงตนเองมันจะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่า พระเจ้ารับสั่งปฏิเสธนะฮะไม่ให้ถามตบไม่มีพระประสงค์จะตอบท่านก็ขอร้องให้ตอบ้อนวนแล้วนอนอีกพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่หรอกคือมันเป็นเหตุให้คุณตกนรกเพราะในแง่ของความเป็นจริงคนที่ไปดูเนี่ยกิเลสเขาไม่ฟูมาก่อนแต่ว่าพอคุณแสดงแสดงบท ยั่วความกำนัดราคาเาเเร ะ, ะเขาก็เกิดยั่วโลภะโลภะเขาก็เกิดยั่วโทสะโทสะก็เกิดยั่วความกลัวความโกัวก็เกิดตะนั้นเป็นการกระตุ้นกิเลสให้คนอื่นแต่ถือว่าเป็นบาปตอนนั้นปัจจารการทางจิตในศาสนามันจึงประนีตขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามองแง่สังคมดูแล้วไม่เคยมีปัญหาพรงนี้ถ้ามองแง่สังคมแล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าเราเจะเห็นว่าถ้าสังคมเป็นอย่างนี้ มันก็ได้คุณค่าพอสมควรข้อต่อไปก็คือให้พวกน้ำเมาสุราเมรยัยยาบ้ายาอียาเลอะอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นทานจะให้รูปภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรูปภาพที่กระตุ้นกามราคาคือภาพสมัยโบราณเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นภาพส่วนใหญ่มันกระตุ้นราคา ก็เคยไปที่ยุโรปไปกันหลายประเทศนะเขาก็นำไปดูที่ติตร็งก่อนอก็พอมาถึงกรีกฝรั่งเศสแล้วเราก็ดูก็เดินเฉยๆพระที่นำไปพวกบนเมืองแอชานุศาสนำมาไม่เห็นดูอะไรเลยเราไม่ใช่ไปดูก็ดูแต่เราเห็นว่ามันแหล่งที่มาอย่างเดียวกันคือมาจากกรีกกรโรุมัน แล้วมันไหลเข้าไปสู่ยุโรปทั้งหลายเนี่มันมีพื้นฐานมาจากแถวนี้อย่างนั้นก็สเปนนะฮะสเปนโปรตุเกสอะไรแถวนียมันก็ศิลปะมันก็ใล้ากล้เคืองกันแต่ที่เหมือนกันก็คือว่ามันจะนิยมรูปในทางกระตุ้นกามาราคษาที่นี้คือเองมันก็ยุคใกล้เคียงกับยุคพระพุทธเจ้าก็เดียกว่ายุคเดียวกันนะฮะยุคที่เขาเจริญเนี่ยมันก็ยุคเดียวกัน แต่ทางอินเดียเองก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะภาพในอินเดียให้เราลองสังเกตภาพพวกอารยันเนี่ยจะกระตุ้นกา ร, รมราคะจะกระตุ้นความบุนแรงด้านต่า ง, างๆโดยเฉพาะกา ร, รมราคะเนี่ยมันจะเยอะเหลือเกินเพราะก็ถึงเปบาปแล้วก็ให้สัตวุธเครื่องประหารต่างๆเนี่ยพวกนี้ตามผู้พศาสนาในสมัติพระแล้วก็ถือว่าเป็นเรียกวัตถุอนามาตคือวัตถุามมาถถที่ไม่ควรแกการจับต้อง แล้วก็ให้ยาพิษแต่ยิงไปใหญ่เลยก็ให้โซ่สวนเพื่อนำไปจองจำบุคคลหรือให้แม่ไก่แก่พ่อไก่เพื่อผสมพันธุ์ให้แม่สุกรแก่ต่อสุกรเพื่อผสมพันธุต์ตลอดถึงว่าเครื่องช่างตวงโกงวัดต่างๆเนี่ยที่มันผิดมันเป็นการช่อโกงก็ถือว่าไม่ใช่ฐานทั้งหมดเพาแสดงว่าเรื่องของฐานนั้นเป็นเรื่องที่ มีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็เป็นพัฒนาการทางจิตใจเป็นการปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับคนอื่นขึ้นไปโดยลำดับในรูปของการเป็นนิพนตรีรูปของการสงเคราะห์นุเคราะห์แล้วก็รูปของการ แ, บบแสดงให้เห็นถึง ความเคารพความนับถือความศรัทธาความพักดีก็แล้วแต่เนะซึ่งมาความว่าพื้นฐานความรู้สึกต่อคนเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ดีส่วนจะเริ่มต้นที่ตรงไหนเนี่ยไม่ค่อยจะสำคัญก็วันก่อนได้บรรยายเรื่องวันเวลากับชีวิตก็พูดเรื่องวันวาเลนไทน์ กับปูเรื่องวันมาคบูชาเพราะว่าวันวาเลนไทยนั้นเป็นวันที่นับทางสุริยะคติคือเขาลงตัววันที่14กุมภาพันธ์ทุก ป, ปีแต่วันมาคาบูชาเราที่จริงก็ลงตัวนะฮะเพียงแต่ว่านับต่างจันทรคติเพราะในจันทรคติกับสุริยะคติบางทีเนี่ยมันใกล้กันมากเลยแต่เพราะว่าบางทีเนี่ย บาเล่นไทยก็มาค่ามาห่างกันแค่สองวันบางทีก็ห้าวันเจ็ดวันแต้แถวเนี้ยเดืในปีนี้ก็วันที่สิบสี่กับมาวันที่สิบเก้าก็ห่างกันในรัตนอย่างนี้ก็ปรากฏว่าเป็นที่สนใจของผู้ฟังประวิตยุกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเวลานี้คือคก็ถูกผูกขาด ือมีฟ้าพูดอยู่แค่สามสี่รูปตัเองเป็นปีๆก็พอดีเ็ามีปัญหาก็เจ้าหน้าที่เ้าก็โทรมาขอร้องให้ช่วยพูดเขาพูดใส่เทปไปให้นะสสครับก็ไปเปิดออกอากาศาแล้วก็มีคนสนใจกันบ้างก็ว่าเกิดสะดุดขึ้นมาว่าเออไอเส้นวาเลนไทน์เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะเราก็เคยอ่านๆมันก็จับทิศทางไม่ได้ โดยชื่อวาเลนไทน์เนี่ยมันมีประมาณสักเจ็ดแปดคนนะล้วก็ห่างกันยุคสมัยก็ห่างกันบ้างก็ต่อมาก็ไปพบเอกสารที่เขาเป็นพวกแบดติดพวกโปรตัตแนนะเขาเขียนเราก็มองจากพื้นฐานตรงนั้นแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของความ รักทางเพศเลยมันเป็นพลังแต่เนี้ยพลังของความพักดีพลังของศรัทธาพลังของไม่ตากรูมาที่นักบวชมีนะนักบวชมีต่อาศาสนาของตัวเองนักบวชมีต่อประชาชนคือถ้าตรงนี้จริงเราก็เห็นอะไรตั้งหลายอย่างเรามา ก, กาลังเรียบเรียงออกมาเป็นเล่ม พอพูดไปพูดมามันก็คิดจะขยายจะวิเคราะห์แหละจะวิเคราะห์ให้ดูเพราะว่าเรารับอะไรในสังคมเราเนี่ยเรารับมาแบบรุ่นรุ่นมาเลยเราไม่ศึกษาความเป็นมาเป็นไปว่าจริงๆเหตุเกิดเนี่ยมันคืออะไรมันไม่ได้แปลกหรอกสมมติเราจะรับอะไรมาจากใครที่ไหนอย่างไรแต่ต้องเข้าถึงสารัะถาตรงนั้น เราก็เลือกป ร, ปรับใช้เหมาะสมแก่ยุคแก่สมัยแก่พื้นฐานทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆคือชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าการให้ทานที่เป็นระดับพุทธการกัดธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นะฮะแล้วท่านก็นรวบรวมไว้ในจีนะมานิทานกล่าวไว้ว่า ท่านจงบำเพ็ญทานบารมีเถิดอันว่าหม้อน้ําหม้อที่เต็มด้วยน้ําที่ก็วางคว่มปากลงจมไหลออกหมดไปขังติดอยู่ในหม้อชันใดหม้อนั้นชันใดท่านเห็นยาจกทั้งหลายทั้งชั้นต่ําชั้นกลางและชั้นสูงแล้วจงให้ทานอย่าให้เหลือหุดหม้อน้ําที่ก็วางคว่มปากไว้ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะในการให้ลักษณะนี้เราอาจจะเกิดขึ้นจากการอนุเคราะห์ก็ได้จากการสงเคราะห์ก็ได้หรือจากการบูชาทต่นี้การบูชาเนี่ยมันก็ประรบหลายอย่างแต่ปรเด็นว่าการให้ในลักษณะทานที่มันสูงสูงขึ้นไปเนี่ยคนที่เราให้นั้นเราต้องรู้สึกเคารพนับถือศรัท ธ, ธาพักดีเรื่องใส เมตตาการุณาเมตตาการุณานั้นส่วนมากก็จะเป็นผู้น้อยนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะออกมาในลักษณะอย่า ง, ง น, น, านั้นคนเรามีเพามาถึงให้ในลักษณะที่ไม่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะทําค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าทําได้ก็หมายความว่าสิ่งเหลานั้นเป็นสมบัติจริงๆเป็นสมบัติติดตัวจริงๆที่มันเรียกว่าบารมีเนี่ย คือมันติดอยู่ภายในจิตมันเป็นคุณภาพจิตที่เราเรียกว่าภูมิจิตภูมิธรรมภูมิธรรมในเองก็สร้างภูมิจิตภูมิจิตต้องก็กลายเป็นภูมิรู้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ําให้คนอยู่ยังมีภูมิฐานเพราะคนที่ให้ทานนั้นจิตใจเขาจะอ่อนโยน แล้วก็มองคนอื่นด้วยพื้นฐานของเมตตากรุณาคือพูดง่ายๆเนี่ยำนวนวิชาการเองเขาเรียกว่ารักมนุษยชาติโอกาสที่จิตใจคนจะพัฒนาไปอยู่ตรงนั้นมันก้าวยากมากเพราะในสังคมเรามันมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาไอความโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรเอาใส่ใส่ใจ จะดูแลกันดูแลกันและกันเนี่ยมันจะมีมีได้ยากนะมีด้อยคือมาอยัางนึกว่าเราก็ติดตามพวกข่าวอะไรต่างๆ น, นนะคื อ, อยังนึกว่าบางที่นี่รดังเรื่องตุงนี้เขาเก่งนะอย่างเช่นว่าเขาช่วยเหลือกันเนี่ยเราก็ทุกเทชีวิตจิตใจลงไปเลย ลงไปท่ามกลางคลื่นที่แรงแล้วก็เสี่ยงต่อความตายประุ่ยเพราะในกุศลสาธารนณะแบบบำเพ็ญสาธารนณะประโยชน์นี้เป็นอันมากที่เราจะเห็นว่ามันที่เริ่มมาจากต่างต่างชาติศิ่ากาชาติเองจนมาเป็นสภ า, ากาชาติหรือว่าแนวพยาบาลแบบศิสระต่างต่างก็พ อ, อเล่นในทิงเก้นนะเธอส่วนมากมันมาจากต่างประเทศ มันอาจจะเป็นเพราะกระหลังก็ขี้โอก็ขาี้อวดก็ได้นะฮะเราสังเกตดูว่ายาวศาสศนาคริสต์เนี่ยเขาจะเลี้ยงเด็กก็ไมีกี่คนนะฮะแล้วก็มีการโฆษณาประช า, าสัมพันธ์จากฉากแสดงกันใหญ่แล้วนังสืบพิมพ์ก็ยกย่องชื่นชมเขาที่ได้บังเพ็นกิจกรรมในลักษณะนี้โดยลืมไปว่าพระสงในประเทศไทยที่เลี้ยงดูเยาวชนของชาติมาเนี่ย เวลาเนี่ยทั่วประเทศทถามว่ามีกี่แสนมันต้องถามเป็นแสนเลยนะฮะไม่ใช่ว่าถามเป็นเป็นสิบหรือเป็นร้อยหรือเป็นพันแต่ไม่มีใครเคยคำนึงถึงและพระเองก็ไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ได้บอกล่าอะไรไม่ได้อ่างบุญอ่างคุณอะไรเป็นการทำบุญทำทำความดีแบบพุทธเนี่ยมันเป็นการทำความดีเพราะเห็นว่าเป็นความดี หรือว่าทำความดีเพื่อความดีเมื่อเป็นความดีก็พร้อมที่จะทำแล้วก็ในแง่ของกรรมจริงๆนะกรรมจริงๆสมมติเราให้ทานเนี่ยใครจะเห็นหรือไม่เห็นในที่จริงมันไม่ได้แปลกอะไรทานเราก็สำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้วสมมติว่าคนเห็นแล้วก็ยกย่องเขาก็ได้บุญของเขาคนเห็นแล้วเขาตาหนิ เขาก็ได้บาปของเขาคือเราไม่ได้เพิ่มบุญอะไรเราอาจจะได้ขวัญกำลังใจที่มีการยกย่องชื่นชมจากบุคคลทั้งหลายตามธระมเมียมของสัตว์โลกนะแต่ว่าประเด็นที่อยากเน้นคือเวลานี้มันมันสับสนยังไงไหมครัคือเป็นห่วงว่าสังคมไทยเรานีนจับทิศทางอะไรไม่ค่อยได้ ในเรื่องบุญบางทีในเราเนียกระถิ่มรณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ไหกระถิ่นมรณะเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเราไปทําบุญแต่ว่าใจมันเป็นบาปไปเมาเหล้าเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่สนุกสนานเต้นรําขับร้องเต้นกับโครมครามโครมครามรถกระถิ่เนี่ยเราเห็นว่าแต่ละปีนี่ไม่ ป, ปกติคนขับก็เมาเหล้ากันเป็นการใหญ่แ ล, แล้วสดท้ก็ตายเป็นกระถิ่นมรณะ ซึ่งมันก็เกิดผลเสียในแง่ว่าคล้ายๆกับบุญนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยรุอ่อนก่อนก็พาดหัวไปสะดอกเคราะห์มาไปรถน้ำมุญมาแล้วก็ขับรถตายเก้งเลยกาททำนองคล้ายๆกันน้ำมูลนี่มันสักศิษย์นั่นป็นความสับสนเ็นความสับสนในด้านการมองเรื่องบุญเนี่ยบุญนี่ไม่ได้หมายถึงทานอย่างเดียวนะทานก็เป็นหนึ่งในบุญทั้งหลายแล้วก็อย่างที่บอกไว้แน่ว่าการกาหนด คุณค่าของบุญเนี่ยมันกำหนดที่การลดกิเลสได้มากหรือน้อยแล้วกิเลสเนี่ยมันก็สามกลุ่มใหญ่อย่างที่บอกในสามกองก็ปั้งจะพูรกิเลสสามกองกิเลสประเภทโลภะเนี่ยมันมีโทษน้อยนะฮะแล้วก็คลายชากิเลสประเภทโลภะบังกระจุมกิจมันอบอุ่มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาลช่างชื่นเบิกบาน หวง่วงก็แล้วแต่นะฮะลักษณะโลภะเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแต่เขาไม่แรงนะฮะแต่ว่าคลายได้ช้ามันตรึงใจมันปักใจมันฝังใจกิเลสประเภทโทสะมีโทษมากแต่ว่าคลายได้เร็วเพราะฉะนั้นในกรมีว่าการทานต่วเนี่ยมันละโลภะกับละโทสะเป็นหลักกันนะฮะแต่อย่างนี่บอกแล้วว่าที่กิบมันก็ละทั้งสามอย่างนั่นแหละ เราเจนว่าอภัยทานมีคุณค่าสูงกว่าวัตถุทานถ้าทําได้จริงนะเพราะเลยเพราะมันไปละกิเลสประเภทโทสะซึ่งโทษมันมากเมื่อโทษมากเราดับมันได้ผลมันก็มากอทีนี้กิเลสประเภทโมหะมันมีโทษมากแล้วก็คลายยากที่สุดๆเลยนะะหมายความว่าคนที่จะกระจัดโมหะได้หมดเนี่ยในโลกนี้มีเฉพาะพุทธบุคคลนั่นเอง คือพระอาหารหันต์ตัสมาสัพพิตเจ้าพระปฏิเจ้พระุทธเจ้ า, แ ล, จาแล้วก็พระอาหารหันต์ตัสสาวกเท่านั้นเองนะฮะพระนาคามีก็ยังขจัดไม่หมดเลยยี่เลยใยมากแล้วก็อย่างรากลึกมากไปในจิตใจของคนเะนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรก็ตามที่มันไปลดโลภลดโมหะเป็นหลักนะลดโมหะเป็นหลัก มันจะเป็นบุญกุศลที่มีอนิสงส์มากทีนี้เราจะเห็นว่าเวลาท่านเรียงเนี่ยท่านก็เรียงเป็นวัตถุทานอภิยทานธรรมทานมันเรียงตามความความยิ่งใหญ่หมายความของใหญ่วางไว้ข้างล่างของเล็กวางไว้ข้างบนก็เป็นลูกแลแค่เจดีขึ้นไปทีนี้เราก็มายึดติด ท, ที่ตัวทานพอมีปัญหาทางเศรษฐกิจข้าวก็บน โบดไม่ได้ให้ทานไม่ได้ทําบุญไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะตลอดชีวิตเนี่ยไม่ได้ให้ทานก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าทานมันเป็นบารมีหนึ่งในบารมีทั้งหลายเมื่อยังไม่พร้อมก็ให้อภัยทานกันให้ธรรมทานกันแต่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในกรณีของการให้ทานจะต้องมองมากเป็นพิเศษมเจ้าสงอุปมาว่าเหมือนกับ แมลงผู้หรือแมลงพึ้งอะไรพวกตอดอกไม้น่ะมันบินก็สู่สวนดอกไม้แล้วก็ไปดื่มน้ําหวานจากเกสรของดอกไม้แต่ในขณะเดียวกันท้าของเขาก็ไปนํำพาเาเกสรติดท้าไปเกาเกาะร้นอื่นก็เกิดอาการผสมผันธของดอกไม้ ก็สอนว่าแมาลงพึ่งหรือแมลงผู้เนี่ยเข้าสู่สวนดอกไม้ไม่ทําสีกลิ่นกลีบของดอกไม้ชอกช้ำหือเอาน้ําหวานคือดื่มเอาเฉพาะน้ําหวานแล้วก็บินไปเพราะว่า น, นีคือนักบวชเนี่ยควรจะเข้าบ้านในลักษณะ น, นั้นแต่ทีนี้ประเด็นของการให้เนี่ยไม่อยู่ที่ทัวร์นักบวชอ่ะมันอยู่ที่ตัวจาบ้าน เพราะั้นชบานเนี่ยจะให้มันก็ต้องดูกําลังทรัพย์ของเรารกระบังโภขกระลังเพล่ก็เรียกว่ากําลังโขคะกับกระบังศรัทธาดูที่ว่าศรัทธานี่งมากไหมถ้าศรัทธามากแต่ว่าทรัพย์น้อยก็ให้ตามกําลังทรัพย์อย่าไปให้ตามกราบังศรัทธาทีนี้ถ้าหากว่าทรัพย์มากแต่ศรัทธาน้อยก็ให้ตามกําบังศัทธาทามากด้วยการด้วน้อยด้วยกันเนี่ยก็ไม่แปลอะไรนะฮะแล้วถ้าน้อยมากเนี่ยอย่าให้ คือไปนเน้นที่วัตถุทานไม่ใช่ไปนเน้นที่อภัยทานกับเน้นที่ธรรมทานจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคือให้แล้วนี่ต่อไปจะเดือดร้อนพอเดือดร้อนแล้วเกิดเสียดายอภปลาระเจตนาซึ่งมันยาวเจตนาหลังอยากให้ไปแล้วนี่มันอยู่ช่วงยาวมาันมันจะเสียทําให้จิตมันคุณหรืออาจจะที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าในฐานะสังคมเนี่ยมันไปกระทบครอบครัว พรอครอบครัวเกิดดูไม่ปกติสุขขึ้นมาก็เ พ, าเพราะอะไรเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวเอาเงินไปถวายพระจังมากและทําให้ลูกหลานเดือดร้อนไม่มีค่าเทอมไปโรงเรียนไม่มีค่าขนมที่เนยยุ่งเลยใกแกจะเกลียดพระนะจะเกลียดาศาสนาจะเกลียดพระแล้วก็เป็นการบันทอนโอกาสที่จะทําความดีองเถอเพราะมันกลายเป็นเส้นขนานไป เรื่องเราวเนี่ยเราไม่เคยเอามาพูดกันประการส่งเสริมชักชวนให้เขาให้ทานโดยไม่ดูแลลูกหลานก็จะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะต้รับผิดชอบต่อสังคมสูงและประวัติศาสตร์จะมีความชัดเจนว่าราชวงศ์ของพระเจ้าอโศกต่อจากพระเจ้าอโศกไปแค่สองราชการตะการแด ง, งแล้วก็เสื่อมนะฮะเพราะอะไรเพราะว่า หลานนะะลูกเนี่ยไม่ได้สเสวยราชสมบัติขึ้นหลานไปเจ้า เ, าเจ้าชายสมปติเนี่ยไปเจ้าเจ้าเจ้าชายสมมติไปเจ้าพฤหัสรถนะฮะก็อสองมงกุต่อไปก็ขึ้นราชวงศ์สุนขานคนเรานี้แอนตี้ศาสนามากเพราะว่าปู่เขาเนี่ยเอาเงินไปบริจาคสนุปบมุบงศานสนาเสุดมากแล้วทําให้เขาเดือดร้อนในตอนหลังเนี่ย เพรศาสนาเองก็ต้องเป็นหลักให้แก่สังคมไม่ใช่เป็นเน่นอะไรก็ทาอะไรก็ทานอะไรก็ได้อะไรนะโดยไม่ไดูดดาาตาม่าต่อเรือแล้วสอนให้คนอื่นลากความโลภในขนะที่ศาสนากลายเป็นที่มาของความโลภคือบอกให้คนอื่นสละแล้วสละให้ไว้เอาไว้ที่บ้านจันอย่างนี้ไม่ใช่วิธีการในศาสนาวิธีการในศาสนาต้องนุ่มอนุเคราะห์โลกเป็นเรื่องครับสำคัญต้องฟังทึงไหน ในลวงพระพุทยาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทน่านี้พิสุจน์ีขอความเจริญง่ว ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี